ุดต่อแม้กลับไปก่อนแล้วพุ่งนี้ว่าสงพุ่งนี้ว่าสองการว่าะรคะ่ะเดี๋ยวมาอีกพกุ่งนี้ขอไม่ทบทวน งงนะไม่ไม่งงอยากคิดก็คิดไปอ๋อได้ได้ได้กลับไปก่อนที่หลวงตาพูดก็หมอเข้าใจเพราะว่าไม่พอดีมีพี่คนนึงบอกว่าเนี่ยคือคิดเหมือนมากับคุณหมอพอยคุณหมอพอยก็บอกคุณอาจะอยู่กับความคิดพอคุยกับพี่คนเขาหนูว่าคิดพอหลวงตาพี่ก็คิดก็เลยก็เลยไม่ไม่ได้สับสนแปลว่าเราเราก็คงติดอยู่ตรงคิดเนี่ย ไปคิดเองว่าเราเข้าใจแล้วหรือเปล่าเออเข้าใจเวลาเข้าใจเนี่ยรู้ไหมว่าเราเข้าใจและเวลาไม่เข้าใจตอนนี้ไม่เข้าใจเลยและรู้ไหมว่าเราไม่เข้าใจตอนนี้รู้หลวงจ่าว่าเราไม่เข้าใจ <c oughs> นี่ตรงนี้สำคัญมากเลยเนี่ยเราอนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่เดี๋ยวฟังให้ดีตอนนี้ที่บอกว่ารู้ว่าเราไม่เข้าใจ ไอ้ที่เราไม่เข้าใจเนี่ยคือตัวตายตัวปรุงแตง่งเป็นตัวเกิดดับคือตัวขันหา้าเอยเป็นตัวขันหา้ามันจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่ใช่สราระสาคัญก็คือเรื่องของมันเออมันเป็นเรื่องของขันหา้ามันจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่ใช่สราระสาคัญแต่เมื่อกี้น้องตาถามว่าเรารู้ไหมว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจไอ้รู้นั่นแหละคือธรรมชาติรู้แท้ๆเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติแท้ๆเลยของรู้ ที่เป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในเด็ตัวทุกคนในพุทธเจ้าในพระอรหันต์ในในพุทุชนในสรพสัตตั้งหลายพราแม่ครูาอาจารย์ทั้งหลายก็อยู่ก็รู้นี่แน่รู้ที่รู้อะไรก็รู้ว่าที่เราไม่เข้าใจนี่แน่ดังนั้นไม่ไม่จะเป็นต้องการความเข้าใจเพราะว่าแม้แต่เราเนี่ยจะกลับไปขอทําความเข้าใจก่อนเมื่อเราเข้าใจเนี่ยตัวเข้าใจก็ยังเป็นขันธ์ห้าที่ถูกรู้แต่ผู้ที่รู้ว่าตอนเนี้ยเราเข้าใจแล้วอันนั้นน่ถึงจะเป็นรู้ที่เป็นธรรมชาติรู้แท้ ดังนั้นจึงไม่จะเป็นต้องการความเข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่รู้ว่าไม่เข้าใจเข้าใจรู้ว่าเข้าใจต้องการเพียงแค่รู้รสงสัยงงงงรู้ไหมว่างงรู้แล้วไม่ต้องการว่างงเนี่ยต้องหายงงแต่ต้องการรู้ เพรเวลาหายงงแล้วหายงงแล้วตอนนี้หายงงแล้วเริ่มหายงงแล้วพอเริ่มหายงงแล้วรู้ไหมเนี่รยงง <g ülme> รู้ว่าเริ่มหายงงยรู้ว่าเริ่มหายงงไหมรู้เราะนั้นหายงงแล้วก็ไม่ต้องการต้องการรู้รู้ว่าหายงงสงสัยรู้ไหมว่าสงสัยเพราะไม่ต้องการว่าสงสัยเราหายสงสัย ต้องการว่สงสัยแล้วรู้ไหมว่ากำลังสงสัยต้องการรู้นั่นแหละแต่ไม่ต้องการว่าสงสัยล้วหายสงสัยแม้แต่หายสงสัยแล้วก็ยังต้องถามอีกว่าหายสงสัยแล้วลรู้ไหมรู้ต้องการรู้จึงไม่ต้องการว่าหายสงสัยเข้าใจหรือยังเข้าใจค่ะ <nickname> เข้าใจแล้วรู้ไหม <ล>เข้าใจแล้วรู้ไหมว่าเข้าใจรู้คะ่ะแล้วต้องการอะไรไหนต้องการรู้คะ่ะเออแค<ล>่คนั้นแห ล, ล<ก>ะอ่าไปถามอะไรไหมอ่าใหม่ไปสองตัวสาตัวเนี่ยใหม่เอานี่ยหม่เนี่ยใครถามอะไรเนี่ยค่ะ คือเท่าเท่าเท่าที่ฟังมามเกือบเกือบเกือบทุกไฟล์เสียงค่ะหลวงตาก็าจะเป็นรู้รู้ซื่อๆรู้อย่างที่มันเป็นแต่มีอยู่แทร็กหนึ่งค่ะที่บอกว่าถ้ามีกิเลสให้ละละทันทีทีนี้รู้กับละในที่นี้แสงว่ามันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะหลวงตาทีนี้เราจะต้องรู้ทีนี้เราจะเช็คได้ไงคะว่านี่เป็นกิเลสแล้ว ไม่ใช่แค่ขันห้าธรรมดาคือถ้าเป็นขันห้าธรรมดาเนี่ยดรตงตาบอกว่าเราก็แค่เห็นแค่รู้แต่ว่าถ้าเป็นกิเลสแล้วเนี่ยต้องให้ละคือว่าถ้าเรารู้แล้วเนี่ยยังจมเรารู้ว่าเรามีกิเลสจะเป็นความทุกข์แล้วรู้ว่ามีกิเลสจะเป็นความทุกข์แล้วยึดยึดอะไรจะเป็นความทุกข์จนจมไปแลวจมไปคือว่าซึมเศร้า จมไปจนเศร้าหมองซึมเศร้าแต่รู้แล้วเนี่ยว่ามันจมไปแล้วก็จนเป็นกิเลสจนเป็นความทุกข์เป็นความเศร้าหมองซึมเศร้าเช่นถูกแฟนทิ้งอกหักไม่ใหม่แงแล้วก็รู้อยู่ว่ามันทุกข์แต่ก็จมอยู่ น, นั่นแหะจนซึมเศร้าลงไปเรื่อยๆอย่างเนี้ย จะมารู้เฉยๆมาสักตะวารซื่อ้ๆอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันจมลงไปเรื่อยๆเลยมันจมจะเป็นซึมเศร้าแล้วอย่างเงี้ยต้องลุกไปหาอะไรกินหาอะไรทำลุกไปทำอะไรให้มันสบายใจอย่ามัวมารู้อยู่เฉยๆอย่างเงี้ยมันจะจมดูดจมลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่มีกำลังความรู้ของเราเนี่ยมันไม่มีกำลังที่จะออกมาจากกิเลสและความทุกข์ได้แต่ถ้ารู้แล้วเนี่ยกิเลสและความทุก ทั้งหลายเนี่ยมันก็ค่อยๆดับไปหมดไปจากใจเราอย่างเนี้ถือว่าเราก็แค่สักตะวะรู้ได้แต่ถ้ารู้แล้วไม่มีกําลังเลยอ่อนแ อ, ท, อแท้อแท้ไม่สู้ชีวิตเศร้าหมองไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องไปหาจิตแพทย์กินยาต้องไปไปเล่นกีฬาไปผ่อนคลายจะมารู้ซื่อๆรู้เจ๋ยๆสักตะวะรู้ไม่ได้แล้วแบบเนี้ย มันเศร้ามันซึมเศร้าจนเศร้าหมองไม่หมดแล้วเนี่ยต้องไปกินยาแล้วต้องไปหาจิตแพทย์แล้วอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยคือมันจมจะมารู้เฉยๆไม่ได้แต่ถ้าเราเนี่ยมันเกิดกิเลสและความทุกข์อะไรก็ตามเนี่ยเป็นกุศลอกุศลไม่ว่าดีชั่วสุขทุกข์รักชังบุญบาปไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นฟองสายเป็นเศร้าหมองถ้าเรารู้แล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันค่อยๆหมดอิทธิพลต่อใจเราไปถ้าอย่างเนี้ยเราสามารถรู้ซื่อๆสัสตว์บรรู้ได้เลยแต่ถ้าเรารู้แล้วจม จมลงไปเรื่อยๆจนเป็นเป็นความทุกข์ความเศร้าหมองจมไปกิเลสและความทุกข์อย่างนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เหมือนกับมีคนก็ถามเข้ามาเหมือนกันว่าเขาก็รู้ว่ามันมันไม่ดีมันเป็นบาปกรรมมันเป็นบาปกรรมแต่มันห้ามใจไม่ได้อย่างเงี้ยเาา <pushed away. S 1> ขาก็รู้มันเป็นบาปกรรมอยู่เนี้ยมัน <s> มันห้ามใจไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็จะจมไปเรื่อยๆ จมแล้วจมอีกจมแล้วจมอีกอย่างเนี้ยอย่างสม ม, มุติว่าไปแอบรักกับสามีเขาอย่างเงี้ยตัวเองก็น่าตาสวยผู้ชายก็หน้าตาหล่อไปแอบรักสามีเขาก็รู้อยู่ว่าอมันเขามีสามีมีเขาสามเขามีเมีย ม, มีลูกแล้วแล้วก็มันก็จมไงจมจมอะไรก็ผิดศีลข้อสามผิดแล้วก็ยัง รู้ตัวว่ามันผิดศีลข้อสามว่าทั้งที่ก็รู้ฟังทำอยู่ก็รู้ทำอยู่ก็ฟังทำแต่ก็ก็รู้ว่ามันไม่ดีมันผิดศีลก็รู้ว่ามันผิดศีลแต่ก็อดไม่ได้ก็ต้องไปเจอเขาแล้วก็ผิดศีลซ้ําอยู่นั่นแหละซ้ำซ้ำซ้ำในศีลข้อสามอยู่นั่นแหละอย่างเนี้ยมันรู้เฉยไม่ได้แล้วเออมันต้องหาทางแก้ไขมันก็จมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย แต่ถึงมีไฟที่บอกว่ามีมีไฟล์เสียงที่บอกว่าถ้าเราเนี่ยจะจมไปกิเลสและความทุกข์แบบนี้เราต้องหาวุทางแก้ไขแล้วยันมันจมไปรู้ว่าผิดศีลผิดธรรมก็ต้องแก้ไขแล้วเออมันผิดไปครั้งเดียวก็ต้องเกินพอแล้วก็ต้องรู้ตัวแล้วก็ต้องใจแข็งว่าเขามีครอบครัวแล้วตอนแรกไม่รู้หรือพลาดพังไปแล้วก็เออต่อไปก็ต้องแก้ไขยอมที่จะแก้ไขแล้วไม่ไม่ไม่ไม่ปล่อยกายปล่อยใจแบบนั้นนี่ปล่อยกายปล่อยใจไปทุกครั้งแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยเรื่อปเรื่อยเรงที่ แล้วก็ถามมาว่าจะทำยังไงดีอย่างเงี้ยแต่ตรงนี้มันก็รู้อยู่ว่าผิดศีลผิดธรรมอย่างเงี้ยแต่ก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้เห็นไหมอย่างเนี้ยมันก็ต้องหาทางแก้ไขหาทางช่วยตัวเองให้ให้ใ ห, ใ ห, หลุดพ้นจากตรงนั้น mm hmm. เพราะว่ามันก็จะผิดศีลผิดธรรมผิดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ผิดซ้ําอีกซ้ําอีกซ้ําอีกหรือว่าบางคนเนี่ยอกหักอย่างเงี้ย อ, อกหักก็จมอยู่นั่นแหละ จมแฝดถูกแฟนทิ้งไปแล้วก็อกหักจมจนซึมเศร้าอย่างเงี้ยแล้วไม่สามารถออกจากซึมเศร้าได้บอกว่ารู้ไหมว่ามันทุกข์มันกิเลสมันเป็นกิเลสและความทุกข์รักเขา่าจะไปกิเลสและความทุกข์เนี่ยเขาก็ทิ้งไปแล้วเงี้ยรู้รู้แต่มันรู้แล้วมันออกไม่ได้ไงรู้แล้วมันก็จมลงไปจมลงไปจนเป็นซึมเศร้าเงี้ยมันก็ต้องไปหาทักออกไปเล่นกีฬาออกไปอ่าเพื่อนคุยออกไปอะไรก็ได้ให้มันหายจากไอกเนี่ย ้ำมันหลุดพ้นอกบาจาไอ้ความคิดและอารมณ์เหล่าเนีน่ยแล้วมันจางหายไปเป็นปกติแล้วก็ก็ฝึกฝนจิตใจตัวเองใหม่เข้าใจัหมเข้าใจคะ่ะคือคำถามนี้จริงๆจริงๆไม่ควรถามนะคะหลวงตาแต่ว่า อ, อ, อยากจะถามะคะ่ะคือมันหลวงตาเคยเทศว่าหยุดกิริยาจิต และจะเข้าถึงธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งทีนี้คำถามก็คือว่าการหยุดกิริยาจิตเนี่ยสร้างเหตุได้ไหมคะหรือว่าต้องเป็นเองก็ต้องมีสติเนี่ยแล้วปรุงไม่เลิกอ่ะดิ้นหลนค้นหาหาเหตุหาผลพยายามพยายามแล้วไม่ไม่รู้ตัวอย่างเนี้ยมันก็สติเนี่มาทำให้หยุดได้มีสติ มีสติว่าอ่ะมีสติปัญญาขึ้นมาว่าเราแท้ๆคือผู้ที่มารู้ตัวเราเห <ๆ S 1> เป็นธาตุรู้ที่มารู้เป็นวิญญาณธาตุเป็นธาตุรู้แท้ๆที่ไม่มีอวิชชาเนี่ยถ้าเป็นธาตุรู้แด้ๆ ม, มีวิชชาก้คือผู้ที่มารู้ตัวเราแบบไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีความคิดปรุงแต่งอะไรได้ไม่มีอะไรได้เลยอ่ะแล้วอยู่ๆเอตั ว, วนางอีกเก็บเงีบ ไปคิดดิดหลนค้นหาอ่าเหตุอ่าผลอาถูกอ่าผิดอ่าหนทางที่จะบรรลุวิญญานเออย่างงี้ใช่หรือเปล่าเอ่องี้ผิดหรือเปล่าเนี่ยเอ่องี้มันผิดหรือมันถูกมันมต้องทําอย่างงี้มั้งมันต้องอย่างนี้มันต้องพยายามพยายามงี้มากๆต้องอย่างงุ่นต้องอย่างนี้ต้องอย่างั้นต้องอย่างนี้ออยุง่อ ง, องวุ่นวายอยู่ในีนหมกบุญหมกบุญหมกบุญอยู่อย่างเนี้ยนะอ้าวคนที่มีสติปัญญาก็อ้าวเอะ เรามันเป็นสรรชาติแท้เป็นรู้แท้ที่ที่มันรู้แท้หมายถึงว่ามันไม่เียวิชานะเป็นรู้แท้เนี่ยคือผู้ที่มารู้ตัวเราที่ไม่อาจคิดึกตามปรุงแต่งได้ไม่อาจกระเพิ่มได้ไม่อาจไหวตัวได้ไม่มีตัวใจไม่มีตัวผู้รู้ไม่มีตัวตนของผู้รู้แต่แต่รู้อย่างเดียวแต่ตัวตนของผู้รู้ไม่มีแล้วไม่มันเป็นอสังขตธาตเป็นวิสังขารหรืออสังขตธาตคือไม่อาจปรุงแต่งได้และไม่มีใครจะไปปรุงแต่งเขาได้เนี่ยสาคัญที่สุดคือเป็นอสังขตธาตคือ ไม่อาจปรุงแต่งได้และไม่มีอะไรจะไปปรุงแต่งเขาได้ตัวเราก็ไม่อาจปรุงแต่งได้และไม่มีอะไรที่จะอาจปรุงแต่งให้เขาปรุงแต่งได้เขาเป็นอาจสังคตธาเป็นธาตุธรรมชาติแท้ๆที่ไม่อาจปรุงแต่งได้มีแต่ความรู้อย่างเดียวถ้าเรามี อ, อยู่อย่างเงี้ยในใจเราเนี่ยเป็นโยนิโสมนัสติกาไว้ในใจจยาต่อเนื่องไม่ขาดสายเป็นปัญญาขั้นโยนิโสมนสติกากนเป็นปัญญาขั้นปรุงแต่ง แต่ยังไม่ถึงใจจนกระทั่งเราเนี่ยเป็นปัญญายังไม่ใจพอเราลงไปเอาตัวเราไปปรุงแต่งไปดิ้นรนไปค้นหาไปพยายามไปตึกต่อไปไข้ควรไปประมวลผลไปหาถูกหาผิดหาหนทางบรรลุพันธิพาลตึกต่อไข้ควรดิ้นรนอยู่นั่นแหละกิดกิดกิดคิดคิดคิดคิดดอ่ะสติปัญญามาแล้วเราโยนิโศมันนิการมันไม่ใจเนี่ยว่าเราอาจสังขัดสัตพาสหรือเป็นวิสังขารที่ไม่อาจปรุงแต่งได้อ้าถ้ามาอยู่ๆเรามานั่งคิดได้อ่ะ ทำไมเอาตัวเราเนีที่เป็นตัวคิดมาเป็นตัวเราเอาตัวเราไปนั่งคิดปรุงแต่งได้อ้าวทาไมงี้วะเราเนี่อุ้ยมันไมโง่แบบนี้วะเนี่ยโง่อย่างงี้มาหลายชาติเป็นอวิชชาอย่างเงี้ยมาหลายชาติแล้วมันจะจะปล่อยให้โง่อย่างงี้ไปอีกกี่ชาติเนี่ยมันจะจบลงในชาติปัจจุบันแล้วทำไมยังทําอย่างเงี้ยดูในบ่อยว่ามันบ่อยๆเขาเตือนบ่อยๆเขามันก็เลยเลิกเอาไว้ไอตัวที่คิดได้เนี่ยเป็นตัวเรากลายเป็นตัวเราที่ไม่อาจคิดได้ปล่อยวางตัวที่คิดได้ไปหมดตอนเนี้ ไม่ว่ามันจะสงบสงัดขนาดไหนเงียบสงัดไปตั้งโลกธาตุตั้งภายในและภายนอกก็กลายเป็นรู้ที่ไม่อาจคิดได้เพราะมันถึงใจมันซึ้งถึงใจแล้วว่ารู้นั้นเนี่ยไม่อาจคิดปรุงแต่งได้หรือเราเนี่ยไม่อาจคิดปรุงแต่งได้มันเป็นรู้แทๆ้ๆเราเนี่ยเป็นรู้ตัวเราแท้ๆที่ไม่อาจคิดปรงแต่งได้ไม่อาจ ก, กระเพิ่มหรือไม่อาจไหวตัวได้ได้แต่รู้งนั้นมันเงียบสงบยังไงอ่ะมันมีแต่ความรู้ ไม่มีผู้ปรงแต่งได้มาก ป, ปัญญามันก็ปัญญาที่เป็นปัญญาไม่ใช่ว่าเป็นสัญญาที่เป็นโยนิโสมนสกายเป็นปัญญาที่มันโปรงรู้แจ้งมันก็มันก็โปรงรู้แจ้งขึ้นมาจากภายในเป็นปัจจต่างรู้ได้ตัแต่นี้พนจากความปรุงแต่งใดๆทั้งหมดเป็นปัญญาที่รู้แจง้ง เขาเรียกว่าปัญญาที่ตัดสรู้ขึ้นมาคือปัญญาที่รู้แจ้งขึ้นมาหรือตัดสรู้ขึ้นมานมันพ้นจากความคิดใดๆ้นจากสัญญาเป็นปัญญาแท้